มีคำคำหนึ่งที่เราคุ้นหูมากคือคำว่าบุญแล้วบุญนี่เป็นคำสามั น, นที่ได้ยินโดยเพราะไม่ใช่ไม่ใช่แต่ในแวดวงวัด น, นอกวัดก็ได้ยินอนี้เขาพูดถึงบุญแล้วก็มีคำหนึ่งที่เขาพูดถึงคู่เคียงกันอยู่บ่อยๆนะคือบารมี บุญบา ร, รมีแต่พอบา ร, รมีเดี๋ยวนี้ก็เข้าใจกันคลาดเคลื่อนที่จริงก็เช่นเดียวกับว่าบุญนะคนไทยเข้าใจคล้ายเคลื่อนเยอะแต่ว่าบา ร, รมีนี่ความหมายเพี้ยนไปไกลบา ร, รมีเดี๋ยวนี้เราใช้ในความหมายที่นะ เกี่ยวข้องหรือว่าสัมพันธ์กันเรื่องอำนาจผู้มีบา ร, รมีบางทีก็ไปใช้ทางการเมืองนะผู้มีบา ร, รมีนอกรัฐธรรมนูญความหมายมันไม่มค่อยดีเท่าไหร่เนหะมือ น, นผู้ที่มีอิทธิพลอิทธิพ ล, ลก็สัมพันธ์กับอำนาจเงินอำนา จ, านนาจการเมืองหรืออำนาจทางด้าน อวุธก็ดอย่างนี้ทหารนี่ก็มีบา ร, รมีใครมีอำนาจเจ้าพ่อนี่ก็มีบา ร, รมนะีมันจะสัมพันธ์กับคำ ว, ว่าน่าเกงรงขามนะบา ร, รมีนี่น้าเกงรงขามจริงแล้วเนี่ยถ้าบา ร, รมีจริงเนี่ยใครมีแล้วเนี่ยมีแต่ทําให้อยากเข้าใกล้ทําให้เกิดศรัทธาทําให้เกิดความความเมตตา มันไม่ใช่น่าเก่งขามอาขามงจริงของบา ร, รมีคือคุณธรรมนะเป็นคุณธรรมอย่างยิ่งยวดด้วยนะเป็นคุณธรรมอย่างยิ่งยวดหรือคุณความดีอย่างยิ่งยวดนะ ท, ที่ที่บำเพ็ญเพื่อให้สําเร็จหรือว่าบรรลุจุดมุ่งหมายสูงสุดนจะุดมุ่งหมายสูงสุดนะคือพระนิพพานนั่นเอง มันเป็นความดีนะที่พระุพธิสัตว์ต้องบำเพ็ญให้ครบถ้วนถึงจะบรรลุทำเป็นพระเธเจ้าได้ถ้าไม่บำเพ็ญบารมีให้ครบถ้วนก็ไม่สามารถจะตัะสรู้เป็นพระตธาจ้าได้ที่ว่าครบถ้วนนี่คืออะไรก็มีสิบประการ ก็หมาว่าบุญนะบุญก็มีสิบนะบารมีก็มีสิบบุญกับบารมีสิประการนะบางข้อก็คล้ายกันแต่บางข้อก็แตกต่างกันที่คล้ายกันคือเรื่องก็คือทานกับศีลแนตะนะ่ความแตกต่างาแตกต่างตรงไหนนะบุญเนี่ย ทั้งสิข้อนี่คือการกระทําการกระทําการกระทําความดีก็เรียกว่าบุญเช่นการให้ทานการรักษาศีลการภาวนาความอ่อนน้อมถ่อมตนการช่วยเหลือส่วนรวมนอ่อนน้อมถ่อมตนนี่ก็อัตปฏยนต์ใหม่ช่วยเหลือส่วนรวมก็ไบยวัจจะใหม่ หมนี่หมายถึงว่าบุญที่เกิดจากการกระทํานั้นๆนะการฟังธรรมการแสดงธรรมการอนุโมทนาในความดีของผู้อื่นที่ได้ทำนะหรือว่าการอุทิ่ส่วนกุศลนปฏิทานปัต า, านุโมทนาใหม่เนรวมถึงการทําควา ม, มให้ถูกต้องบุญต้องเกิดจากการในเรื่องการกระทำ ะต้องเป็นการกระทาที่ดีด้วยส่วนบารมีสิบเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเรื่องคุณธรรมหรือว่าทั้งหมดก็ได้เป็นเรื่องคุณธรรมคุณธรรมเช่นปัญญาเนะวริยะสัจจะขันตินะ อธิษฐานอธิษฐานคือความตั้งใจมั่นเมตตากรุณาแล้วก็อุเบกขา น, นี้เราสังเกตได้ว่ามันจะแตกต่างกับบุญศิ ป, ประการบุญศิ ป, ประการที่เป็นการกระทําที่เห็นด้วยตาก็ว่าได้บางอย่างก็ไม่เห็นด้วยตาแต่ว่ามันก็เป็นการกระทําภายนในเช่นการทําความเพีถูกต้องทิฏฐิชุกกรรม ส่วนบา ร, รมีนี่เป็นเรื่องคุณธรรมหรือว่าธรรมะที่มันเกิดขึ้นภายในใจแม่แต่คาว่าทานนี่ทานนี่ก็หมายถึงการจิตใจที่อยากจะให้จิตใจที่อยากจะให้สีน่ก็หมายถึงความความเป็นปกติทางกายวาจาใจมันก็เป็นเรื่องคุณธรรม ที่สามารถจะเห็นไดนะ้จากภายนอกเหมือนกันนี้บารมีเนี่ยเป็นเป็นคุณธรรมที่ต้องสร้างขึ้นมานะแล้วก็แล้วก็มีมีหลายระดับด้วยนะสามระดับนะระดับ ธรรมดาธรรมดานะแล้วก็ระดับที่สูงขึ้นนะเกือบสูงสุดนะแล้วก็สุดท้ายคือขั้นสูงสุดนะอย่างเช่นทานนี่ก็ทานบารมีนะบารมีเฉยเฉยอุปบารมีนะอันนี้ก็ลองนะลองสูงสุดนะหรือจวนสูงสุด ก็ปรมาทบ ร, รมีนี่ก็สูงสุดทานอุปไม่ใช่แค่ทานอยู่ที่มีสามขั้นนะศีลก็ดีในธรรมะก็ดีนะปัญญาก็ดีวิริยะก็ดีขันติ ก, ก็ดีสัจจะก็ดีทิฏฐานก็ดีเมตตก็ดีทิฏฐานแล้วก็อุเบกขาก็ดีก็ต้องมีสามขั้นเหมือนกันความดี สามระดับระดับแลกมาว่าแม้จะต้องสูญเสียทรัพย์ก็ยังคงบำเพ็ญสิ่งนั้นอยู่ส่วนใหญ่เรารู้จักแต่คำว่าทานบารมี่ก็คือสละทรัพย์ถ้าสูงขึ้นมาหน่อยก็สละอวยวะถ้าสูงสุดก็คือสละชีวิต ศีนก็เหมือนกันนะก็มีสามขั้นก็เกี่ยวข้องกับว่ารักษาศีนแม่จะต้องเสียอวัยวะไม่ต้องเสียทรัพย์เสียทรัพย์ยังไงก็ยังรักษาศีนอยู่นะอันนี้เรียกว่าธรรมดาถ้าดีขึ้นไปอีกหน่อยก็คือว่าแม่จะสูญเสียอวัยวะก็ยังรักษาศีนไว้ได้ถูกแกงถูกทําร้ายนะ ก็ไม่ตอบโต้ไม่ไ ม, ไม่ทําร้ายไม่ทําร้ายเขากับนะแม้จะเสีย อ, ว, อวัยวะไปมแม้จะสูญเสียชีวิตก็ยังรักษาศีลไว้ได้นี่ยคัมมา ก, ก็เหมือนกันนะเนี่ยคัมมานี่ก็ก็คือว่าการออกบวชหรือว่าการที่จิตนี้หลีกเล่นออกจากกรามแม้จะเสียทรัพย์ก็ยัง ยังไม่ไม่เลิกนะที่จะออกบวชใครจะมาขู่ยังไงก็ไม่เสียดายทรัพย์สินก็ยังทําอย่างที่ตั้งใจกว้คือนะการออกบวชหรือว่าการสลกรักกรรมอันนี้มันก็สอดคล้องกันอยู่แล้วเพราะว่ามุ่งสละการมุ่งสละการเนตขมา น, นี้มันก็คือความมาย ก, การสลักแล้วสละการมาสุขนะกรรมมาสุกก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับทรัพ เกือสิ่งของแต่ถึงแม้จะต้องสละอวัยวะก็ยังก็ยังเดินหน้าต่อไปและไม่ต้องสละชีวิตนะสูญเสียชีวิตก็ยังไม่เลิกจะให้จะฆ่าให้ตายนะเพื่อให้กลับไปนะเพื่อศึกหรือว่าให้กลับไปของรากก็ไม่ทำ อย่างพระเตมีนะเตมีนี่เรียกว่าท่านเด่นทางด้านเนคขมมะคือไม่ต้องการทรัพย์สมบัติไม่ต้องการเป็นพระราชาเพราะเห็นโทษของการเป็นพระราชาพระ่าเราใชา้ต้องตัดสินประหารชีวิตคนท่านก็รู้ว่านั้นเป็นเป็นบากยะดละลึก อดีตชาติก็เพราะว่าเคยเป็นพระราชาแล้วเคยตกนรกนะเพราะการไปตัดสินประหารชีวิตคนก็เลยไม่ต้องการราชสมบัติอันนี้ก็เป็นเป็นการนะเรียกว่าเป็นการบรรพช น, นแรกนะคือว่านะพร้อมจะละทิ้งนะสิ่งของทรัพย์สมบัตนะิเพื่อที่จะบรรพชนเ น, นขมมะ ตอนนี้ก็ถูกนะนำไปถูกนไปประหารด้วยซ้ำถูกไปกาจัดนะในเมื่อเป็นคนใบ้นะไม่มีประโยชน์นะพี่คนพี่การก็ถูกกาจัดตั้งที่ร้วจะ ต, ต้องตายก็ยังไม่เลิกก็ยังไม่ละทิ้งความตั้งใจนะที่จะออกบวญหรือว่าสละไอ้การมาสุข อันนี้เราว่าพร้อมจะสละชีวิตแต่ว่าก็อาศัยปัญญาเนี่ยเอาตัวรอดมาได้นี่บารมีทั้งสิบประการเนี่ยนะก็หมายเขาว่าเพราะตั้งใจที่จะบำเพ็ญบารมีสิบประการแม้ว่าจะต้องสูญเสียทรัพย์อันนี้ขั้นแรกแม้ต้องสูญเสียอวัยวะอันนี้ขั้นที่สองแม้ก็ต้องสูญเสียชีวิตก็ไม่เลิก ไม่ใายความตั้งใจไม่คลายปณิฐานยังเดินหน้าต่อไปพูดง่ายคือว่าเอาเอาธรรมะเป็นใหญ่นะไม่ได้เอาเอาตัวตนเป็นใหญ่ว่าจะเป็นของของกูนะเช่นรั์ของกูเอาไว้ว่าของกูหรือแม้คระทังตัวกูมันจะดับศูญย์ไปถูก ต้องถูกพรากจากกันก็ก็ไม่ไม่เลิกไม่ละปณิธานนี้ยังมุ่งบาเพ็ญคุณความดีต่อไปทำไมถึงถึงต้องบาเพ็ญบา ร, รมีกันขนาดนั้นก็เพราะว่าในการที่จะเอาชนะกิเลสเอาชน ะ, ะกำจัดซึ่งซึ่งความทุกข์ อาชนะกิเลสอาชนะอวิชชาเนี่ยมันต้องต้องต้องสะสมต้องสะสมทุนมากนะต้องมีทุนเอาไว้นะสู้กับกิเลสสู้กับอวิชชานะซึ่งถ้าเปรียกก็เหมือนกับเป็นกองทัพมารนะกองทัพมารนะถ้าไม่ไม่มีไม่มีทุนรอนไม่มี เรียกว่าไม่มีบา ร, รมีนะก็ไม่สามารถจะสู้ได้อนี้พระพุท ธ, ธสันนีนะ่ท่านบำเพ็ญบา ร, รมีครบสิบประการนะจรึงพร้อมที่จะตัดสู้มาเป็นพระุเจา้าแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะ ต, ตัดสู้ได้อัตโนมัตินะไม่ใช่บำเพ็ญบา ร, รมีครบสิบประการแล้วตัดสู้ได้ดอัตโนมัติไม่ใช่ อย่างพระเจ้าปัจจุบันท่านก็นบำเพ็ญบารมีคมรบและลดทศบารมีนะตั้งแต่เรียงระดับตั้งแต่เป็นอัเตมีนะเตนีก็นี่ก็เน้นเรื่องเนื้อัมภ์จนไปสุดที่เวสันดอนนะเน้นทานบารมีเราก็ได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตแล้วต้องเสด็จกลับลงมาอย่างโลก ม, มนุษย์ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นพระพุทธเจา้าได้ทันทีนะ ต้องทําความเพียรอีกแล้ความเพียนทำสำเร็จผลก็เพราะว่าบารมีทั้งสิบประการที่ได้สะสมมานั่นเองนะบารมีทั้งสิบประการที่ได้บําเพ็ญในเดชาเนี่ยเอาข้อจริงก็ต้องเอามาใช้นะเอามาใช้อีกครั้งในการที่จะทําให้ตัดสู้นะพระสมัมมาอะโพธิยานได้ เรื่องแต่ว่าเนี่ยสละนะสละสรักสละบัณฑังสละคนรักนะออกบวชเนะี่ยอันนี้ถ้าไม่บอมก็ไม่เคยบําเพ็ญบารมีไว้ก่อนนะแม่้จะเป็นทานบารมีในธรรมบารมีนี่คงออกบวชยากนะสิ่งที่เราหมายหมายพิณสกุมันีังคงทําได้ยากแต่เพราะว่าได้เคยบําเพ็ญมาแล้วนะจึงทําได้ง่ายก็ ง่ายนี่ก็พูดโดยเปรียบเทียนนะเพราะว่าเาอาความจริงก็ก็ยังมีความรักความโมโหงายความอาลัยในในพ่อในลูกในเมียเนะจ้ชาชายจิตรัตน์เนี่ยแต่ว่าเนื่องจากบารมีที่ได้ทำเอาไว้ก็ทำให้สามารถตัดใจได้เราก็ใช้คันติใช้ใช้วิริยะนะในการที่ทำให้ในการที่ในการ นะบาเพญรร็ญทรหกปีนี่ก็เรียกว่าเจือปะเปปะสาต่างๆมากมายและสุดท้ายเมื่อฮวงรู้ว่าทางสายกลางนะมันไม่ใช่มันเป็นทางออกที่ดีที่สุดนะไม่ใช่การสุขคติการดุยโยที่ทรงทิ้งมาแล้วไม่ใช่อัตากิลมะธามดุยโย <c oughs> อันนั้นก็ต้องใช้ ความตั้งใจเหมือนกันนะโดยเพราะอธิษฐานบา ร, รมีเนี่ยพวกเราคงรู้นะตอนที่ตั้งใจว่าจะตั้งใจว่าจะาบำเพ็ญทำให้บรรลนะุซึ่งพระสัมมาสัมพุทธยาเนี่ยก็ตั้งใจอธิษฐานเลยนะว่าเนี่ยแม้เลือดในกายจะเหิดแห้งจะเลยตะเพียงหนังเอ็นกระดูก แต่ในที่ไม่บรรลุธรรมที่บุุบษควรบรรลุนะก็จะไม่ลุกจากที่นั่ง จ, จะไม่ละความเพียรอันนี้ก็เป็นทั้งความวิริยะบา ร, รมีแล้วก็ทิษฐานบา ร, รมีนะเสร็จ แ, แล้วพอเจอพอขั้นสุดท้ายนี่ก็เรียกว่ากองทัพมารก็เข้ามานะส่งนางตันหานางตันหานางอารดี ราตันหาราคาเราดีเข้ามายั่วยวนก็อาศัยขันตินะไม่ทั้งขันติแล้วก็อุเบกขาอุเบกขาคือความไม่ยินดีไม่ยินร้ายในสิ่งที่มายั่วเยเอาในสิ่งที่ยั่วยวนหรือยั่วยุนะอันนี้ต้องอาศัยความ ใจิตใจที่มันคงไม่วันไหวทั้งขันติทั้งอุเบกขาซึ่งก็ทำให้สามารถที่จะก้าวข้ามผ่านพน้นอุปสรรคตัวนั้นสามารถจะบรรลุพระนิพพานได้ เดี๋ยวล้วก็ตามเนี่ยถ้าเราถ้าเราไปดูเรื่องบา ร, รมีสิบนะในจากทศชาติเนี่ยหรือจากชาดกเนี่ย ส, สิบเรื่องเนี่ยเราก็จะพบว่าบา ร, รมีสิบประการนี่เป็นเรื่องของคุณธรรมที่ใช้ที่ช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาหรือเหตุการณ์ต่างๆที่เลวร้วายได้ เหตุการณ์ที่ว่าก็เป็นเหตุการณ์ภายนอกนะเหตุการณ์ภายนอกเช่นคนมากันแกล้งทำร้ายหรือว่าเจอภัยพิบัติอย่างเช่นพระมโหสถไ อ, อ, อ้มหาชนกลอยคออยู่กลางทะเลท่านก็ทำความเพียรว่ายน้ําข้หาฝั่งอันนี้ก็ในเรื่อง วิริยะบา ร, รมีว่าแม้จะมองไม่เห็นฝั่งก็ยังไหว้ต่อไปเจ็ดวันเจ็ดคืนสําเร็จไม่สําเร็จก็ไม่สําคัญนะขอให้ทำความเพียรทําความเพียรเต็มที่และแม้ไม่สําเร็จก็แม้ต้องตายก็ไม่ก็ไม่เสียดายนะเทวดาก็ตําหนิไม่ได้ไม่เป็นหนี้ ไม่เป็นนี่ใครเพราะได้ทําความเพียรแล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องของการใช้วิริยบารมีในการผ่านพ้นเหตุการณ์ที่เลวร้วายส่วนใหญ่บา ร, รมีสินี่จะเป็นเรื่องการเป็นคุณธรรมที่ใช้ในการรับมือนะกับเหตุการณ์ที่เลวร้วายที่เป็นอุปสรรค ผู้อย่างนี่ก็เป็นเรื่องของการคุณธรรมที่ใช้ในการในการสัมพันธ์กับผู้อื่นในการสัมพันธ์กับเหตุการณ์ภายนอกแต่เวลาที่จะบรรลุธรรมจริงๆเนี่ยบาิมีศึกเนี่ยจะมาใช้ในการรับมือนะกับอุปสรรคต่างๆรวมทั้งปัญหาที่ดานหน้าเข้ามา ที่บางนสงสัยนะแล้วบารมีสิบเนี่ยมันต่างกับมัมงมยองแปดยังไรนะเราก็ทราบดีแล้วว่าเนี่ยมัมงมยงปดนี่แหละเป็นเป็นหนทางการตัดสูนะ่เป็นหนทางที่เข้าถึงนิโรธแต่เจริญบารมีสิบก็เป็นคุณธรรมที่จําเป็นสําหรับการบรรลุ พระสัมมาสัมพุธิยานและบารมีสิบกับมังมีองแปดต่างกันอย่างไรมั <Yeah. S 1> งมีองแปดก็มีหลายข้อที่ไม่ได้อยู่ในบารมีสิบนะเช่นสัมมาสติสัมมาส ม, มาธิส ม, มาธิฏนะิมีบางข้อก็คล้ายกันนะเช่นสัมมาวายมะบางข้อชื่อไม่ตรงกันแต่แตความหมายนะ เหมือนกั น, กนเช่นสัมมาวาจา น, น, นี่เป็นเรื่องความซื่อสัตย์ความซื่อตรงรักษาคำพูดแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะไม่เหมือนกันที่ต่างวกันเพราะว่าอย่างที่บอกไว้แล้วว่าบารมีสิบเนี่ยเป็นคุณธรรมที่ใช้รับมือกับเหตุการณ์ต่างๆซึ่งส่วนใหญ่เป็นเรื่องภายนอกอุปสรรคปัญหา สุขคนกั่นแกล้งตกอยู่ในทะเลล อ, อยคออยู่กลางทะเลนะแต่ว่ามางมีองศาเนี่เป็นเรื่องคุณธรรม เ, เรื่องการปฏิบัติเรื่องการการะทันที่เอาไว้ทํากับกิจภายในนะแต่การทํากิจภายในเพื่อสู้กิกเลสเพื่อสู้กฏวิชานี่มันก็ต้องอาศัยต้องอาศัยทุนอาศัยหล่อน ตรงนี้แหละที่บารมีสิบจะเข้ามาหนุนผู้ยานคือบารมีสิบเนี่ยก็มาหนุนทําให้อริมั่งโยงแปดนี้เป็นไปได้ถ้าหากว่าไม่รู้ว่อริมั่งโยงแปดดีอย่างไรแล้วก็ลงมือทำแต่จะทําได้ต่อนเนื่องหรือไม่นันก็อยู่ที่บารมีสิบนั่นแหละคือถ้าบารมีสิบไม่ได้บําเพ็ญไม่ได้สั่งสมนิสัยมาทางนี้ บารมีจะอดเป็นนิสัยก็ได้นะเมื่อบำเพ็ญบ้างบ่ายมันม ก, มก็จะเกิดเป็นนิสยนะัยที่เอาไว้ใช้ในการเจริญองค์มรรคให้ต่อนเนื่องทำให้บางคนนะก็สามารถจะเจริญองค์มรรคได้อย่างรวดเร็ว บรรลุธรรมได้เหลวก็มีนะอย่างเช่นที่เราเคยได้ได้ฟังว่าเราได้อ่านพบว่านะหลายท่านนี่ท่านเพียงแค่ได้ฟังธรรมจากครูจ้า ก, ก็บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันบางท่านปฏิบัตนะิปฏิบัติได้ไม่นายก็เป็นพระอาหารหันต อันนี้ก็พอใสายบา ร, รมีนะบา ร, รมีศิษเนี่ยเข้ามาเข้ามาหนุนแม้ว่าจะไม่ได้ถึงขั้นยิ่งยวดนะอย่างที่พระพุทธเจ้าเนี่ยเคยบำเพ็ญสมัยเป็นพระโพธิสัตว์นะแต่ว่าก็ก็ต้องใช้เหมือนกันอย่างที่บอกไว้แล้วว่าตอนต้นนะว่าบา ร, รมี1ินี่เป็นสิ่งที่เป็นสิ่งเป็นความดีงามที่ปฏิบัต เป็นความดีงามอย่างยิ่งยวดเนที่ต้องบําเพ็ญนะเพื่อการบรรลุจุดหมายสูงสูดการเป็นพระพุทธเจ้าหรือการตัดสูวาสสมสมปุทิยานแต่ถึงแม้จะเป็นพผ้ารหันก็ต้องใช้เหมือนกันนะต้องใช้เหมือนกันเพียงแต่ว่าอาจะไม่ถึงขั้นยิ่งยวดถึงขั้นสละชีวิตซ้ําแล้วซ้ําเล่า หรือว่าแม้จะต้องสูญเสียชีวิตไปก็ก็ยังไม่ทิ้งปฏิฐา น, นถ้าเป็นผู้เจ้านี่ก็ต้องปฏิบัติอย่างยิ่งยวดเดียวแต่ถึงแม้จะเป็นพระอรหันต์หรือพระโสดาบันก็ต้องมีบารมีสิบเป็นเป็นฐานนุนเหมือนกันนะในการที่จะทำให้ได้บรรลุ ธ, ธรรมอย่างที่พูะเจ้าได้ตรัสรู้ นี่บางคนก็สงสัยต่อไปว่าแล้วในเมื่อบริมิตรนี่ก็เป็นควรธรรมยิ่งด้วยที่พระพุทธศาสนาต้องทําให้ครบนะเพื่อบรรลุธรรมเป็นพระเจ้าแล้วเราซึ่งเป็นผุุ้ชนล่ ะ, ะหลายคนบอกฉันก็ไม่ได้คิดจะเป็นผู้เจ้าเนอะไม่ได้คิดจะเป็นผู้เจ้าไม่ได้ตั้งมุ่งพุทธภูมิแต่ถ้ามุ่งการหลุดพ้นนะ ก็ต้องก็ต้องบำเพ็ญเหมือนกันนะอย่าไปคิดว่าบา ร, รมีสิบนี้เฉพาะสำหรับพระโพธิสัตว์หรือผู้ที่มุ่งพุทธภูมิเท่านั้นแนะม้จะมุง่งตาไปนที่มุ่งนะความดับทุกข์นะก็ยังต้องบำเพ็ญนะหรือว่าสะาสมนะบา ร, รมีนี้เอาไว้นะแล้วที่จริงแล้วนี่ถ้าแม้จะไม่ได้มุ่งหลุดพ้นเลยนะแต่ว่า มุ่งให้ชีวิตเจริญก้าวหน้าในทางธรรมก็ต้องบําเพ็ญบารมีสิบเหมือนกันเนะพราะถ้าบําเพ็ญได้อย่างได้อย่างดีเนี่ยมันก็ทําให้เกิดความชีวิตเจริญงอกงามนะเกิดความสําเร็จทางโลกได้เหมือนกันนะแล้วก็เป็นพื้นฐานสําหรับการความเจริญก้าวหน้าในทางธรรมแล้นะวคนไปคิดว่าโอ้ในเมื่อบารมีสิบนี่เป็นเฉพาะของพระโพธิสัตว์ที่มุ่งพุทธภูมิ ฉันไม่ต้องทําก็ได้อันนี้เป็นความเข้าใจผิดนตราบใดที่ต้องการความเจริญก้าวหน้าในชีวิตต้องการความเจริญงอกงงามในทางธรรมบาลมีสึกก็ยังต้องต้องบําเพ็ญเอาแค่ว่าจะจะเรียนให้สําเร็จนะแล้วก็ต้องใช้นะไม่จะเป็นวิริยะ บารมีนะขันติบารมีในคขมภบารมีก็เหมือนกันนะเด็กจะเรียนสําเร็จได้นะเนี่ยพ่อแม่มีสิ่งยั่วยุเหลือเกินนะเพื่อนชวนไปเที่ยวห้างไปดูหนังฟังเพลงนะไปกินไอติมไปกินอาหารอร่อยแนละ้วก็ต้องอดกลั้นต้องต้องเมินหันหลังให้มันนะอันนี้ก็เป็นในคขมมากเหมือนกันนะตั้งใจว่าจะ จะตื่นมาตีสี่อ่านหนังสือนี่อันนี้มันก็เป็นเรื่องของสัจจะบา ร, รมีนะรับปากแล้วก็ต้องทำห ร, หรือตั้งใจไว้ในใจที่อธิษฐานบา ร, รมีเนี่ยความมุ่งมั่นความตั้งใจอธิษฐานแปลว่าความตั้งใจเดี๋ยวที่จะทำสิ่งดีงามมันก็ต้องใช้เหมือนกันนะรวมทั้งเวลาเวลา เวลาทำแล้วนะใช้ความเพียรแล้วนะมันไม่ได้ผลสอบแล้วผลสอบมาแล้วก็ไม่ดีก็จิตใจก็ไม่หวั่นไหวพราถ้าหวั่นหวมันก็เลิกเท่านั้นแหละอันนี้ก็เรียกว่าต้องใช้อุบเบกฐานกันเราทำเต็มที่แล้วผลยังไงออกมายังไงก็ก็ยอมรับ การยอมรับผลนั้นโดยที่ไม่ยินดีไม่ยินร้ายนะมันก็เป็นอุเบกขาที่เือนกันนั้นบารมีสิบเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เรียกว่าจำเป็นนะสำหรับทุกคนนะที่ปรารถนาชีวิตที่ดีงามแต่ถ้ามุ่งนะถ้ามุ่งการพ้นทุกนี่ก็ต้องอาศัยบารมีก็ต้องบำเพ็ญมากมากให้ม้าคนทั่วไป เือที่จะเอาเอามาเป็นพื้นฐานนะในการเจริญในองค์มครรคเพราะการเจริญในองค์มครมครคนี้มรรคแปดนี่ต้องใช้ความต้องใช้กําลังมากนะถ้าไม่เจริญในองค์มครรคมันก็ไม่ไม่หลุดพ้นนะแต่จะเจริญองค์มครรคได้ให้สําเร็จนี่นะก็ต้องอาศัยนะบารมีสิเป็นตัวหนุน ในตลอดพิจารณาบารมีแต่ละข้อแตล่ตละข้อเนี่ ย, ยบางคนสงสัยไอ้แล้วศรัทธาหายไปไหนนะถ้าไม่มีไม่มีศรัทธาไม่มีสมาธิไม่มีสติอยู่ด้วยนะสิ่งที่เรียกว่าพระห้าเนี่ยพระห้าอินทรีห้าเนี่ยกับบารมีสิทธ์เนี่ยพระห้าเขาบอกอยู่แล้วว่าเป็นเป็นเรื่องของสิ่งที่ทําให้สําเร็จได้นะ พระหานี่ก็มีศรัทธานะมีสติมีสมาธิซึ่งไม่มีในบรมีสิทธิ์แต่ที่จริงในบรมีสิทธิ์เนี่ยก็ต้องอาศัยศรัทธาเป็นพื้นอยู่เหมือนกันน่าจะเอาแค่ทานข้อเดียวเนี่ยอย่างพระเวสสันดรเนี่ยนะจะจะบำเพ็ญทานนะถึงขั้นสละชีวิตได้ก็ต้องมีศรัทธานะศรัทธาในพระธรรมนะ ศรัทธานในธรรมะแล้วคนร้อนนี่จะจะตั้งมันในคุณธรรมแม้แต่ข้อเดียวได้นี่ก็ต้องมีมีสติมีความรู้ตัวถ้ามีสติมีความรู้ตัวก็เพิ่ ม, มก็พ่ายแพ้ต่อต่อกิเลสพ่ายแพ้ต่อสิ่งยั่วยุหรือเย้ายวนได้ดังั้นเวลาเราพิจารณาดูบารมีแต่ละข้อแต่ละข้อเนี่ย มันไม่ใช่ว่าจะอยู่ได้โดดๆนะมันต้องอาศัยบารมีตัวอื่นแล้วก็ใช้คุณธรรมข้ออื่นเข้ามาเข้ามาเข้ามาหนุนด้วยก็เช่นเดียวกับมัสมีงแปดนะแต่ละข้อแต่ละข้อเนี่ยสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะนะสัมมาวายมะสัมมาอาชีวะสัมมาสมาธิสมมาสติพุนี้เนี่ย ไม่ใช่ว่าแต่ละข้อนี้แยกกันโดโ ด, โ ด, โดนะมันต้องอาศัยตัวน้ข้ามาหนุนด้วยหรือใช้ตัวอื่นนอนนั้นเข้ามาเสริมด้วยธรรมะของพุทจ้านี่มันไม่ใช่เป็นแต่ละข้อแยกมาโดโดๆมันต้องอาศัยคุณธรรมข้ออื่นเข้ามาเสริมเพื่อให้ตัวใดตัวหนึ่ง น, นี่แก่ง แ, แก่กล้าขึ้นมางั้นต้องมองธรรมะนี่เป็นองค์รวมนอย่ามองแยก แต่ถ้าเรามองเห็นความสัมพันธ์รวมๆนะของธรรมะแต่ละหมวดแต่ละหมวดแล้วก็จะรู้ว่าจะปฏิบัติทำอย่างไรจ ะ, ระบําเพ็ญคุณธรรมอย่างไรจุดมุ่งหมายเพื่ออะไรไม่เห็นภาครวมยังก็ทําให้ปฏิบัติผิดเพี้ยนได้เหมือนกันนะเช่นทานเนี่ยถ้าไม่มองว่าทานเนี่ยมันเป็นมันเป็นเครื่องมือที่ไปสู่พันธุ์พนานได้อย่างไรเนี่ยการให้ทานแทนที่จะเป็นการลดความตำหนกิการเพิ่มความโลภก็ได้นะ เป็นให้ทานแล้วก็หวังวังร่ํารวยหวังหวังมีโชคมีลาบเนี่ยอย่างที่หลายคนตั้งใจหรือว่าปรารถนาเนี่ยกลายเป็นว่าทานในแทนที่จะมุ่งไปสู่พระนิพพานกลายเป็นห่างไกลาจากพระนิพพานมากขึ้นหรือว่าศีลเนี่ยรักษาศีลเนี่ยเคร่งคัดเพื่อจะให้คนชมให้คนสรรเสริญเพื่อได้ยกตัวเพื่อได้ดูถูกยกตนให้สูงแล้วดูถูกคนอื่นเนี่ยมันก็ยิ่งไกลาจากพระนิพพานนะ นนเนี่ยจะเขาจะรักษาศีลจะให้ทานอย่างถูกต้องเนี่ยก็ต้องเห็นภาพรวมว่ามันจะพามันจะเข้าไปเสริมมันจะพาไปสู่สู่พระนิพพานได้อย่างไรมันเข้าไปมันจะไปปีส่วนเสริมกับองค์มรรคอย่างไรมรรมีองค์แปดนะเพื่อที่จะทําให้เกิดปัญญานะเครื่องตัดสรูได้ แล้วก็ต้องใช้ปัญญานะใช้ปัญญาพิจารณาด้วยในการ ป, รปฏิบัติปัญญาที่เข้าใจว่าทําใหญ่สูงสุดคืออะไรแล้วทําเล็กทาน้อยนี่มันจะพาไปสู่ทำใหญ่ได้อย่างไรเลืออั น, นี้เรียกว่าธรรมนุธรรมปฏิบัติปฏิบัติทําน้อยคลอยทําใหญ่นะทำใหญ่คือพระนิพพานนั่นแหละทําน้อยก็ก็คือเนี่บารมีสิบก็ได้หรือว่าพาระห้าก็ได้ อาล่หละชาติพ้นทุนนี้กลับคัะ